คืนดันของครั้งนี้ครับพูดเรื่อง ทางคืออาชีพเพื่อยังชีวิตภายนอกและเพื่อที่ จะค่อยๆส่ง능능ในตัวเองด้วย อนุสนธิต่อเนื้อความต่อใกล้ๆตัวเราเราพวกคนที่ <c sab selves> ว่าเราทําไม่ดีกับมิตรมิตรก็กลับเป็นศัตรูทันทีจะไม่ ก็พูดคําหนึ่งซึ่งผมก็ทกใจมากเมื่อไป คนต่างหน้าไม่มีมีแต่เพื่อนซึ่งเราเพื่อนเต 10, 10 เตียงแล้วเจ้าของบ้านไม่ต้อง ให้เขาได้จ่ายค่าไฟ เนื่องจากทิ้งเทมมีฝุ่นละอองแต่ อยู่เบื้องบนนี่นะครับโซ่เรามันไม่พิกลตรงๆมิตรภาพๆดาว แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในท้องฟ้าอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับแต่มันคุ้นมากๆพอหันไปดูท้องฟ้าไม่ผิดมันไม่ เช่นไฟกระโดดๆนี่ครับเพราะเห็นสิ่งต่างๆมันซื้อลมแล้วก็พัดน้ําผม นออาจารย์ของศิลปินด้วยเส้นไฟที่ลุก <c oughs> แม้แต่ผมรู้สึกคิดถึงเรานี่ก็เหมือนไฟ ดิไฟเนี่ยกี่วันที่เราอรมตวังไม่ พวกศาสทเรียนมาประวัติศาสตร์บอกคนทันนะส่วนใหญ่เป็นข้าัตกรรค์ทั้งนั้นนะครับเจงกิสข่านฮิตเลอร์นโปเลียนเนี่ยข้าัตกรรค์ทั้งที่ ของพระหรรณจากหนังสือธรรมบทบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ฆ่าไกลสุขให้แก่มหาชนอยู่จนจนจบโลกนี้ไประบบ เนียนการทํางานคนเข้ารับใช้รัฐเท่านั้นนี่ จำไม่ลืมเหมือนความนี่รู้มากและ <laughs> <laughs> มันต้องเป็นหน้าที่ของแต่ละคนซึ่งต้องขวนขวายที่ศึกษามันจะไม่มีโรงเรียนไม่มีสถาบันไม่มีมหาวิทยาลัยใดที่ คนเสงตรงเสียภาษีให้รัฐปัจเจกเท่านั้นครับที่ต้องศึกษาตัวสัจธรรม อย่างเนี้ยคนไทยก็เกลียดชาวเวียดนามทั้งๆก็ไปรู้จักหน้ากันเลยเหมือนพวกเราเนี่ยตาดำๆหาทุกๆคน ก็ได้เลยนะครับ 5,000 ถึง 6,000 ล้านเนี่ยก็คือขันธ์ 5 มีความกรุณาตะพุทธอื่นเพราะว่าคนนั้นชีวิตมันเป็นอันเดียวกันเปรียบเสมือนไฟไม่ว่าจะลุกขึ้นจากขี้วัว ไฟมีอันเดียวเท่านั้นครับหรือน้ําก็เหมือนกันใน เกมนุษย์มันสมมุติอะไรขึ้นมาบัญญัติมันสมมุติอะไรขึ้นทั้งทั้งโลก ต่อกันที่ลิเมทจนไปถึงนิวยอร์กมันจะเชื่อม <c oughs> เป็นภาพและภาวะซึ่งเป็นหนึ่งไม่ได้แบ่งจากมือออกข้างหน้า กลางฝ่ามือย้อนมาที่ตัวนี้คือร่างกายส่วนใหญ่ของเราครับมาที่ปลายนิ้ว จริงมั้ยร่างกรงไม่มีสิ่งที่ข้างนอกมาสัมพันธ์ในข้างในนี้นะ นามที่อยู่ในร่างกายของเราก็เป็น ก็เป็นเรื่องในลังกาของพวกเรา ถ้าวันนี้ถ้าใครถามว่าเลยนิ้วมือมานี่เป็น ไม่กินเจนะครับโดยคิดกันซะว่ากินเนื้อสัตว์ ประวัติอันผักและทั้งสัตว์คือชีวิตสารบันครับทาบัน แล้วก็ฉลาดแม้ใครใครไม่เคยดูเรื่องมีแล 2 คนครับคนเอาล่ะผมต้องการอะไรถ้าบรรณ เป็นพืชที่น่าอัศจรรย์คนเข้าไปๆต้นรอบแรกนี้ตัวเขากับคนราก ฝังเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในลําต้นแล้วก็จับการ เด็กที่ใจดีพูดคุยสุภาพเนี่ยเม็ดถั่วจะโต 2 เท่าไอ้เด็กที่ใจร้ายถั่วไม่อยากจะงอกไม่ไปอยู่ในสวนมันไม่งอกฮะไม่ ฝั่งถึงเพิ่งจะหุ่นใจเข้าออกลูกออก 20 ปีที่ 30 ปีที่แล้วครับถูก 8 ต้น 30 ปีให้หลังก็ไม่ ชาวประมงเริ่มไปสร้างบ้านมันเริ่มออกลูกให้ทันเนี่ยมุฑีคฤตบวลยีสาภาษาจีน <c oughs> ลองจุดไม้ขีดเผาใบเค้าดูนะนั้นๆนะฮะ คือกรรมฐานในหนังสือผมแนะให้ประธานนักศึกษาคนหนึ่งไปนั่งๆกับต้นไม้ก่อนทักทายเค้าเหมือนกับ เดรัจฉานญาณวิเศษอะไรบางสิ่งรู้ข่าวอะไรบางสิ่งจากต้นไม้เดนิวิสสารจะ จริงๆกับหนังสือเป็นๆแต่พอๆเป็นหนังพาเด็กไปดูกันตัว ET นั้นครับเป็นศาสตราจารย์แต่เป็นพืชพืชซึ่งเช่นรักษาแผล แล้วก็เดินทางไปทั่วจักรวาลนี้เพื่อจะสะสมพืชนานาชนิดเขาจะจัดสวนๆเลยชอบลังกาๆก็ไม่ได้ตัวแล ET เอาล่ะครับลองทบทวนใหม่นะว่าที่คิดว่ากินนั้นบาปเท่าเท่ากับฆ่าสัตว์นั่น ที่ดีแล้วก็กินผักก็ได้ครับกินเนื้อก็ได้ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะเนื้อ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการกินเจกรณีคือเพื่อสุขภาพเพื่อการย่อยที่ง่ายและความเบาโปร่งโมหะมันไม่ได้มี ยังมีคนที่ก็ล้อเรียนว่าตรัสฉลาดขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ชาวศีลจะกินเจชาวอินเจเนี่ยถึงคราวมันก็ฆ่าๆไปเลยงั้นนั้นเลิกเชื่อซะที มีปัญญารู้เห็นขันธ์ 5 ชีวิตทั้งหมดเป็นอันเดียวกันที่เป็นจริงแล้วมนุษย์ ที่เทวดานั้นเราก็เลือกๆหรือขาดคล้ายๆพืชก็ ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้รู้อะไรใครแต่ว่าไม่ได้รู้อะไร มีความเมตตากรุณาผู้อื่นตอนนั้นเราเป็นพรหมครับแล้วสัตว์ที่แล้วนะฮะเทวดานั้นชีวิตจะดีกว่ามนุษย์ พระพุททเจา reboot is one of the Googles into Finanz, dalam blindness, basically when people know it, the fatherweet taught Behavior, where he told me earlier that the Benevência is due for theruck tables. It's a great observer. On the other hand, it me Prime lived right there, which is truly active desire, where the spirit of birth and unity nights burnout. The KYO Welcome is สัตว์สามัญครับคือไม่ต้องการรู้แจ้งไม่เนื่องกับโพธิ์ไม่เนื่องกับ เราเป็นพุทธเจ้าไม่ได้เราก็เป็นชาวบ้านนี่แหละแต่เราก็มุ่งๆไม่ใช่เพราะเดี๋ยวเรา เราก็เริ่มเดินตามในกระทั่งนั้นย้อนไปๆที่ผมเริ่มอธิบายให้ฟังฟังให้ เลี้ยวไปมองประวัติของพระพุทธเจ้าพระ จึงมีคนรับรองท่านเช่นพวกประชาชนหรือชาวกะเบิลุพัดบางพวกหรือญาติจะงง หลวงแม้แต่ออกอย่างสมรรคมคลุทั้ง 2 ไปทรมานดลก็ยังมีคนเข้าใจครับคือยังมีคนให้ของกินมีคนให้พุ่มมือไหว้ให้สักการะแต่พอพระ มากมากเสียแล้วทํายังไงเสียก็ไม่อาจ ลองหันมาดู